การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนผ็เหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่แล้วไม่ทําตามแผนที่ตัวนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนันเช่นอย่งแปนบ้านแปนเมืองอะไรเป็นต้นทําตามนั้น ดูตาม น, นั้นเลื่อยไปแต่แปลนภายในนิสแผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขนาดที่จะปฏิบัติทำเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาไข้ควรจะอามาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะเอามาพิพจารณาหรือไข้ควรเอามาเทียบมาเคียงกันจิตขั้นที่จะรวมตัวให้มีกาลัง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 เรายังมีความรูปตีบย่อยลึก ม, มากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้เนี่ยนี่ชื่อว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปนอะไรมากีก่แปลนท่านกล่าวทำมาไว้มากมาเพียงไรก็เอาก้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลน ตึกรามบ้านช่องทั้งหลายร้อยชั้นมากลางดูงั้นมันก็เข้ากันไม่ได้แปลนตึกกับแปลนกระตับมันผิดกันดี๋วงนี้เราจะรวมกิจั้งเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนกับกระตับหนักพอมีกำลังแล้วขายายต่อไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกำหนดกดเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธานนี้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 หลักฐานเข้ามาอีกทีนึงเพื่อวความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมามาเทียบนนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ น, นที่ว่าสัตย์จะทรรก็ดีสติปัฏฐานสีรรกสรรส่ก็ดีท่านพูดเกี่ยวโยงกันไป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 กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วลงสติปัฏฐานสี่เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบัาททำทีละเรื่องละรานแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกนี่คือภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างท่านหรอกพิจารณากายกายเกายานุสีวิหารติอย่นี้เป็นต้นพิจณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน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 เกี่ยวข้องกับจิตดวงเดียวพอพิจานาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากาันอีกแยกกันกายญาติเวทนาจิตตานุธรรมานุปัฏน า, อานอะไเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกระหมายถึงกายเวทนาคือเกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนาในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจ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 มันหลักเป็นภารกิจเองอันนี้ก็เป็นอาทุกรรม ส, สุขาเวทนาอีกเหมือนกันะตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆ น, นี้ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิจมีความเดีอดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็สรา้างพอทราบเป็นลำํลำดับๆตามกําลังของปัญญาของสติของ ต, ต, องตอนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของกิจ อาหุ่นมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียจิตนี้เป็นภาชนะสําหรับรับรองหรือเป็นม้านั่ ง, ขงเขาห น, นเดนเพราะมานั่งตรงนั่นละ่ะหรือเป็นส่วมก็ได้เถ่ายรถลงนั้นมอนแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวอตุกะมาสุขะเมตนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมให้เขาถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะมีสติปัญญาที่จะ สลัดปัดทิ้งในสิ่งลนั้นไม่มาม า, มาถามเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสําคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกมาจากไหนที่นายสติตามแนบไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติมีอยู่ไม่เป็นสัญญาพเพราะเพลสติเป็นสัญญาไปตามกําลังของจิตที่พึ่งพึ่งหัก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 ทั้งที่มันล่มมือคุครานมาแต่ก่อนกเท่าไหร่เราไม่ทราบนี่มันับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอจิตก็เพิ่มภาพก็ทันกันทันทีทันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลําดับลำดับยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสถ้ามันยิ่งรวดเร็วแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้ภาคปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเอง นั่นแหละ e, มันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นรประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบตัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถานที่จะพูดออกมาอาถานอยู่ภายในจิตไม่จะโทษตะคว่าจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ตามไม่จะโทษตะคเพราะเป็นความแน่แน่ภา ย, ภายจในจิตใจการที่จะเ บ, บิก สิ่งที่ปวบคุมมุมหวอดกิจนี่ยิงต้องยากถ้าคนที่มีความอ่อนแอยิ่งยากใจไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องแา่ตัวเองแต่สําคัญที่ความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าพิเศษวิโสอะไรทั้งนองนี้มีความมุ่งมั่นต่อตอาตมาทมประเภทนั้นๆแล้วถึงจะยากลําบากอย่างไร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 ที่มีอยู่ภาย ใ, ใจิตใจภาพสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของกิจนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของกิตที่บอกอยู่ภายในตูเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะจริงต้องปรับปรุงทุนนี้ให้ดีให้ถูกต้องไมาให้คิดนอกเหนไปจากนี้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งให้ค้นคว้า ภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสำคัญก็มีกายนี้เนี่ยสาคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสสะท้อนตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหนสิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนเวื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเองเกิดเรื่องไม่มีตัวเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้ คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะม่มีปัญญาจะไม่ได้พอจะลงเอ่ยได้ว่าตาัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องรา่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาลูกปรุงลูกมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งกันนั่นเจ็บนั่นปวดนี้กลัวล้มกลัวตายกลัวแท้ๆกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าวอะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานของความตายมันก็กลัวอยู่วันยางค่าถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไร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 ถ้ายิ่งมันเป็นต้นขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเหรืออะไรกี้แต่และอย่างละอย่างรวมมันเแล้วกี่ภูเขาก็ไม่โรู้ถึงต้องพิจารณาให้ชัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี้พวกที่เป็นข้ากี้ต่อเราก็ ม, มีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นขึ้นพานในจิตบ้างโดยลําพังไม่ต้องกายปกติอุปตามมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นที่แม้ทางที่จะ เกดแงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นจุกเวทนาขึ้นมาเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุปเกขาเบสนานะนี่ น, นั้นเห็นชัดๆอย่างนี้การพิจรารณาเราจะคาดหมายดูอยู่ภายในตัวของเรานี่สัญญานี่สำคัญอยู่มาก โดยปกติสัญญาเป็นผู้สําคัญมากถ้าทุกเกิดขึ้นทุกก็สําคัญแต่ทุกไม่เกิดอยู่ทุกเวลา ส, สัตว์สัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ผู้สําคัญมากละเอียดมากการนี้บันจงด้วยมันน่าหลงถึงได้หลงสังขารเป็นผูกยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปไปใหญ่แล้ะนี่ประการที่สองกับวิญญาณเป็นผู้รับทราบเข้ามา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 จะให้พิจารณาให้ชาติลงไปการกําหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาในจิตส่วนนายกายได้พูดมากแล้วทุกทเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กําหนดดูทุกขเวทนานั้นเอาทุกเวทานานั้นเป็นเป้เปปาหมายแห่งการพิจารณาหรือแห่งการจดจ้องมีสติอยู่กับทุกเวทานาอนั้น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 เราจะไปถืออเวทนาจะเป็นสุก็ตามทุกก็ตามเฉยเฉยก็ตามให้ทราบแบบเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่แปลเปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของของเวทนาเพราะมันมีเชื่อไปจากจิตมันจึงแสดงเวทนาทั้ง3านี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็น ธรรมาชาติที่อยู่กับมีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มันนั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนาสำหรับ น, นิพพานังปรามังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดักมีการการกําหนดพิจารณาเวทนาให้กําหนดอย่างนี้เอาเวทนานั้นเนี่ยเป็นสนามรลกําหนดดูเอาดูในวารานี่ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือไม่หายไม่สําคัญ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 การพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสูง ข, ขึ้นมามีเป็นผลอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกําจัดสุขเวทนาหรือไม่กาจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้คําจัดนึงเมื่อถึงสาคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากภานาจิตมันเกิดจากเชื้อที่เละเมื่อแก้เชื้อนี่แล้วไปเบาบางประดมดับดับสุขเวทนาก็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 ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็นไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันอันนั้นสลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนมาแทนมาแทนที่พอเชื้อของทุกเราที่เป็นส่วนกิเลสนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุข อ, อันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตนั่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่นีเป็นอย่างนั้นทุกเวลาจะให้สงบให้สงบจิต เราจะไปเสียดายกับการทำงานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติจาก ก, การพิจารณาก็ตามมันก็มีอ่อนเพียรได้เหมือนกันการทํางานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามาการก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทําให้อ่อนเพียได้เราต้องพัก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 บ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้อ ง, ถ, ง, าาองถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตนั้งหน้าทําหน้าที่การงานนั้นๆโดยลำดับลาดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลส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 ให้มีแต่เนื้อรุ่นล้วนจะให้มีกล้างจะให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อท่าของขันพิเศษประเภทใดก็ให้จำรอกเปลอกปให้หมดมให้มีเหมือนเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตทีวาลงไปกหนึ่งในบางกลาเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ หา ก, กิดมันเป็นกำลังของจิตเองหมุนติ้วที่ลงไปเพราะแดนใงความพ้นทุกนะันเหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีดันเข้ามาตีตันเข้ามาเห็นโทษเห็นภัยเข้ามาล้ดอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเยอือกอยู่ไหนไม่อยากอยู่ข้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียเวลามีเวลาเพื่อความพ้นทุกต้องให้ถึงความพ้นทุกโดยถ่ายเยือกเท่านั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจยิ่งคร้านออดแยมมาจากไหน นักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุริสยัยนี่หรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่ากองกงจักทั้งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเป็นหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายส่งเพราะรู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกน่ละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกเนี่ยพอแล้วจะ หาควมผที่ั้นอีกมันก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเดียวถึงจะว่างานใหญ่ใหญ่ก็เถอะผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิ่โลกประมังสุขขังจะไม่เรียกว่าเลิ่โลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิ่โลกได้เพราะอันนี้เองชาวกอรา ห, ารหรันหันเราที่นับถือท่านพุทธทงางธรรมสร้างสร้งกระฉามนี้ด้วนแล้วตั้งแต่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 เพราะมันเห็นผลทั้งทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลําดับนี่นะแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความเขยื้อมันเพิ่มขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศรทาโคตรเราจะไปถอยลังไหนเพราะศราโคตก็เคยผ่านปาชามาเช่นเดียวกับพวกเราจึงเห็นภายในเรื่องปาชาความเปิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบกทุกทั้งนั้นเพระพรพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศรทาโคตก็ต้องเดินตามครูผู้พากลับลำบากก็ลําบาก ครูเราสลบสลายถึงสองครั้งสาครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้ยวยความเกลียนไม่มีเนี่ยแล้วทําไมกลัวตายแล้วยังมาสลบเลยและกลัวตายแล้วยังไงพระเวทเจาขนาดถึงสามมลสี่หน่วงไลสลบพระไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทำไมกลัวตายนะอะไรมันตายพี่นาคทำไม่เห็นความจริงแล้วมันจะไม่กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกอันนี้เมตตาจิตทั้งหมดมันสําคัญมันหมามันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัว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 พูดถึงเรื่องพาละหนักอย่างนี้เลยแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรื่นเลิงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคึกเลิศสม ก, กันกับความยุ่งยากลําบากลําบนในการปฏิบัติลแล้วเราต้องการเรื่อยของขี้ที่ขี้เละเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอกเราก็ยังต้องการของดียิ่งทําเราก็ไมเยาจะไม่ต้องการของดีเราเล่นเข้าไป ป่าชา้าร้องไห้กับเราเป็นไรหรือเรามันร้องไห้กับปั่าชา้าป่าช้าร้องร้องไห้ตามเราเป็นไรหมดหวังแล้วที่นี่ อ, ออออย่างนั้นความเกิดตายไม่ใช่ของดีมุนไปมุนมามีความทุกข์ความลําบากไปทุกภพทุกชาติพิจาราแก้ไขออกคันนั้นได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในใจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชี่ยนหนามต่อจิตใจ สติปัญญาอย่างลงไปค้นคว้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนี่แหละคือผลของงานว่าเป็ความนยุยากขนไหนผลนี่เป็นอย่างไรคุ้มค่ า, ากันไหมเนยฮะรู้ทันถืออยู่ไหนก็อยู่ทิ้งท่านบุชสิตังประมาจริยัางกตังกรมีอย่างนั่นแหละประจักษ์